รู้สึกตัวไว้นะรู้สึกตัวไว้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโธนะพุทธโธพุโทโธไปนะนั่งทำไปหายใจไปปฏิบัติคนจีนฟังไม่ออกวันนี้ไม่มีล่ามนะให้นั่งภาวนาไป นั่งหายใจไปเนี่ยพวกคนไทยก็ดูตัวอย่างไว้นะถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่รักษาสืบทอดศ า, าสนาไว้วันหนึ่งศาสนาพุทธหมดไปจากเมืองไทยเวลาเราอยากได้ธรรมะต้องไปเรียนจากประเทศอื่นไม่ใช่ง่าย กรไปอาจจะต้องไปเรียนจากเมืองจีนหรืงคนจีนเขามาเรียนไม่เยอะนะเราตั้งอกตั้งใจลำบากกว่าพวกเราเยอะพวกเราฟังรู้เรื่องแต่เราเกิดมามันก็มีศาสนาพุทธอยู่ในบ้านเมืองเราอยู่แล้วเราก็รู้สึกธรรมดาไม่เห็นคุณค่าแต่วันที่เสียไปแล้วอยากได้คืนไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ดูคนจีนเธาเป็นตัวอย่างพูดภาษาไทยก็ไม่ได้ฟังก็ไม่ได้สาพยา ม, มามีล่ามแปลก็ได้ฟังป็นไหนไม่มีล่ามมาก็ไม่ได้ฟังเงั้นจะไปเอาธรรมะคืนมาจากประเทศอื่นยาก ทางที่ดีที่สุดก็คือรักษาไวแ้แต่วันนี้ลูกหลานจะได้มีธรรมะอยู่เราอย่าประมาทนะว่าเมืองไทยคนนับถือศาสนาพุทธเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันมีแต่ตัวเลขแค่ถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ตอบไม่ได้แนละ้ว สุดสาคัญที่เราจะได้ธรรมะนะคือต้องเรียนรู้ถึงจิตถึงใจตัวเองถ้าเรียนเข้ามาไม่ถึงใจจะไม่ได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติก่อนที่หลวงพ่อจะเจอหลวงพู ด, ดุลนะหลวงพ่อก็พากเพียน<ม>อ่านพระเตปิฎกหนังสือเป็นตู้ๆหลวงพ่ออ่านนะตั้งใจอ่านจริงๆ แล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นปฏิบัติได้ยังไงทำอะไรไม่เป็นก็ทำสมถะหายใจเข้าพุดหายใจออกโททำอย่างนี้ไปก่อนอย่างน้อยจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เจ็จขวบเนะี้ฝึกหายใจเข้าหายใจออกพุธโทพุธโทไปในสุดจิตก็สงบนะ จิีจะเป็นคนดูเป็นผู้รู้ขึ้นมาเราเจอจิตแล้วอันนี้คลา ม, มาเสร็จแล้วไปต่อไม่เป็นไปอ่านหนังสือพระไตรปิฎกอ่านเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงนั่งคิดแต่ว่าทำสมาธิไปเรื่อยๆ้วันหนึ่งคงจะบรรลุมรรคผลทำอยู่ยี่สิบสองปี นี่ขนาดเกิดเมืองไทยนะจะหาธรรมะนะยี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าเราต้องไปเรียนธรรมะจากเมืองจีนกนว่าจะรู้เรื่องภาษาเขาแย่และก ว, ว่าจะได้แก่นจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไปเจอหลวงปู่ดลนะท่านสอนให้ดูจิตหลวงพก็ดูจิต พอดูจิตไปเราเห็นจิตมันทำงานได้วิจิตพิสดานมากเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดียเด๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านเฝ้าดูเฝ้าดูเรียนรู้จิตใจตนเองไปมันสนุกมากเรารู้สึกว่าเราก็มีจิตมาตั้งแต่เกิดทาไมเราไม่เคยรู้จักมัน เลยพยายามมาใสา่ใจหลวงปู่สอนให้ดูจิตก็ดูไปได้สนุกในการดูพบว่าแต่ละวันจิตไม่เคยเหมือนกันเลยต่อมาดูได้ละเอียดขึ้นพบว่าในวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นจิตก็ไม่เหมือนกันฝึกมากเข้ามากเข้าเราพบว่าแต่ละขณะจิตก็ไม่เหมือนกันเวลาที่เรามองเห็นรูปจิตเราก็เปลี่ยน เวลาหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนจมูกได้กลินลิ้นกระทบรสดายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตก็เปลี่ยนเดี๋ยวพ่อเฝ้าดูอยู่นี้สี่เดือนเท่านั้นเองจิตมันก็แจ่มแจ้งขึ้นมาจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเราทํางานของมันได้เองหาครูบาอาจารย์กราบหลวงปู่ดุลย์ท่านก็บอกว่าช่วยตัวเองได้นะพึ่งตัวเองได้แล้ว ครูพ่อออกไปดูสำนักต่างๆเขาปฏิบัติครูบาอาจารย์รับรองแล้วเราช่วยตัวเองได้แล้วเราก็เที่ยวออกไปดูพบว่าปัญหาที่ทําให้คนเราภาวนาไม่สําเร็จนะ่ะคือจิตมันไม่ตั้งมั่นมันไม่ถึงฐานจริงๆไม่ได้จิตตัวเองเราภูมมั่นถึงขนาดสอนได้จิตคือได้ธรรมไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรม เป็นสมาธิที่เราฝึกมา แ, แต่เด็กนะหายใจเข้าพูด อ, อกโทูลทาให้ใจเรามีพลังเราเสร็จแล้วเราน้อมนํามาให้เกิดปัญญาด้วยการดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจอนี้เราพูดโธพุดโธไปนะต่อไปเราก็ค่อยๆสังเกตจิตพุโทโธแล้วจิตหนีไปเรารู้พอเรารู้ทันว่าจิตหนีไปไม่จะกลับมา เราพุโทโธพุโทโธจิตนี้ไปอีกเราก็รู้อีกฝึกอย่างนี้เรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดเป็นพุโทโธพุโทโธไว้แล้วก็รู้ทันเวลาจิตมันวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดจิตมันวิ่งไปวิ่งมาค่าคอยรู้ทันจิตตัวเอง คนต่างชาติเขาฟังเราพ่อไม่ออกนะเราเทศด้วยใจของเราต่นี้ใจเขาก็เป็นสมาธิขึ้นมาพุดโตไปพุดโตพุทโตพุทโตไปใจหนีไปรู้ทันสมาธิเขาดีกว่าพวกเราทางนี้นะคนไทยที่อยู่ทางนี้ จิตยังคุ้ง้านกว่าคนจีน น, นี้คนเสื้อขาวที่ใส่แว่นตานะี่นั่งคุณภาวนาที่คนเสื้อขาวนะัภาวนาใช้ได้แล้วภาวนาถูก นั่งภาวนานะอย่าให้มันขาดสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่าให้เพลอหลับไปหลวงปู่มั่นท่านสอนไว้นะว่าถ้าเราดูจิตได้ดูจิตไปถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกาย ถ้าตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะไว้พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆใจจะได้มีกำลังหลวงพ่อเรียนกับหลวงปูดุลทำได้เร็ ว, วเรียนกับท่านเจ็ดเดือน สามเดือนแรกทําผิดไปบังคับจิตให้นิ่งท่านก็บอกว่าทําผิดให้ไปดูจิตดูมันทํางานไปดูอยู่สี่เดือนเข้าใจจิตตัวเองที่ดูจิตไปได้เร็วนะวเพราะหลงพ่อฝึกสมาธิมาตั้งแต่เด็กสมาธิสำคัญนะ เวลาทำอะไรไม่ได้เราก็พุโทโธพุโทโธไป ใ, ใจเรามีสมาธิมันมีกำลังมันก็ไปเดินปัญญาง่าย ใ, ใจฟุ้งซ่านเดินปัญญาไม่ได้ห น, นีไปจิตมันหนีไป <c oughs> จิตมันหลง เท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะพูดกันลำบากหันไปทางโน้นเลยไป